ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินัยะสังหะอัตถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวศีลังการจนาพระมหาอาคมธรรมมาขโมแปลเรื่องที่ยี่สิบเจ็ดอุปชายาดิวัตวินิชยกถา คาถาวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องอุปชัยวัดเป็นต้นต่อพระสังฆเถระพึงอนุโมทนาในโรงฉันอันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของวัดในโรงฉันเรียกว่าพระตักขวัตตอนท้ายพระสังฆเถระพึงอนุโมทนาในโรงฉันพิจตุที่เหลือไม่พึงไปโดยละพระสังฆเถระนั้นไว้รูปเดียวเพราะมีพระบาลีว่าดูก่อนพิกตุทั้งหลาย เราอนุญาตให้พระเถระเป็นผู้อนุโมทนาในงฉันเมื่อพระสังฆเถระนั่งเพื่อทำการอนุโมทนาภิกษุสี่รูปพึงนั่งตามลำดับข้างท้ายเพราะมีพระบาลีว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้พระเถรานุเถระสี่ห้ารูปรออยู่ในโรงฉันเมื่ออนุเถระนั่งแล้วเพื่อทำการอนุโมทนาพระมหาเถระพึงนั่ง และพิกูุนสามรูปพึงนั่งข้างท้ายเมื่อพิกูุรูปที่ห้านั่งแล้วเพื่อจะทําการอนุโมทนาพิสูจนสี่รูปพึงนั่งข้างบนเมื่อพิสูจนุนมข้างท้ายอินพระเถระแม้เชื้อเชิญแล้วพิสูจนสี่รูปพึงนั่งตั้งแต่พระสังฆเถระลงมาทีเดียวก็ตามที่สูตผู้อนุโมทนากล่าวว่าไปเถิดครับไม่มีกิจที่จะต้องคอยดังนี้จะไปก็ควร เมื่อพระมหาเถร่า ก, กล่าวว่าผู้มีอายุพวกเราจะไปละเธอกล่าวว่านิมนต์ไปเถิดแม้อย่างนี้ก็ควรจะทําการผูกใจว่าพวกเราจะคอยอยู่นอกบ้านดังนี้ไปถึงนอกบ้านแล้วแม้สั่งพวกนิสิตของตนว่าพวกเธอจงคอยการมาของพิกษุนั้นดังนี้แล้วไปเสียก็ควรเหมือนกันแต่ถ้าชาวบ้านให้พิสุรูปหนึ่งซึ่งตนพอใจ กระทำการอนุโมทนาหาเป็นอาบัติแก่ภิกษุนั้นผู้อนุโมทนาอยู่ไม่ไม่เป็นภาระของพระมหาเถระจริงอยู่ในพระอุ ป, ปนิสินะคาถาต้องเรียนพระเถระตอนในเมื่อชนทั้งหลายให้กล่าวตัวภิกษุที่พระมหาเถระเชื้อเชิญเพื่อให้อนุโมทนาแทนพิกษุทั้งหลายต้องคอยนี่เป็นลักษณะในเรื่องอนุโมทนานี้ พิสุถูกอุจจาระเป็นต้นบีบครั้นแล้วพึงบอกพิสุผู้นั่งอยู่ถัดไปแล้วจึงไปเพราะมีพระบาลีว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายเมื่อมีกรณียกิจเราอนุญาตให้บอกนาพิสุผู้นั่งอยู่ถัดไปแล้วจึงไปได้นี้ชื่อว่าพักตักพวัดแหลกก็คือพระวัดในโรงฉันนะจึงปกติโรงฉันก็จะอยู่ใน บ้านอยู่ในวัดก็คงจะมีด้วยแต่ปัจจุบันนี้สาราโรงฉันหรือว่าสาราตวนมนก็เป็นอันเดียวกันหมดก็เลยไม่เห็นธรรมเนียมในโรงฉันในครั้งอดีตการแสดงไว้เกี่ยวกับเรื่องของอาสนะที่นั่งบ้างการนันนมทนาบ้างส่วนในปินดะจาริกวัดมีเนื้อความดังกอ่าวไปนี้พิ่สุผู้เที่ยวบินทบาทคิดว่าบัดนี้เราจะเข้าบ้าน เมื่อปกปิดปริมวลทนสามพึงนุ่งให้เป็นปริมวลทนคาดประกตเอวห่มผ้าสังคติสองชั้นกลัดลูกดมถือบาทที่ล้างแล้วเข้าบ้านโดยเรียบร้อยไม่ต้องรีบด่วนพึงทราบกิจทั้งปวงเป็นต้นว่าพึงเป็นผู้ปกปิดกายด้วยดีไปในละแวกบ้านแม้ในปินดะจาริกวัฏนี้ตามในที่กล่าวแล้วในพัตัะขวัฏนั่นแหล เพราะฉะนั้นก็เห็นได้นะว่าพระตักวัตรมันก็จะต้องอยู่ในระแวกบ้านแหละเพราะว่าอันนี้เป็นเสขียวัดที่จะต้องเข้าไปในระแวกบ้านต้องเป็นผู้ปกปิดกายด้ดีต่างๆเมื่อจะเข้าบ้านถึงกาหนดว่าจะเข้าไปทางนี้จะออกทางนี้อย่าเข้าไปรีบร้อนนักอย่ายืนไกลนักอย่ายืนใกล้นักอย่ายืนนานนักหมายถึงว่าจะยืนรอที่หน้าบ้านโยม เขาไม่ได้ใส่ประจำก็ตามท่ยืนรอแล้วก็ดูว่าเขาจะมีอาการมาใส่ไหมถ้าเขาไม่มาใส่ก็เห็นแล้วก็ทาเฉยให้ผ่านเลยไปอยากกลับเร็วนะักพึงยืนกำหนดว่าเขาประสงค์จะถวายพิกขารหรือไม่ประสงค์จะถวายถ้าเขาพักการงานลุกจากที่นั่งจับทับพีหรือจับภาชนะหรือตั้งไว้พึงยืนอยู่ได้คิดว่าเขาคงประสงค์จะถวายเมื่อเขาวถวายพิสขา พึงแหวกผ้าสังขารติด้วยมือซ้ายพึงน้อมบาทเข้าไปได้วยมือขวาแล้วใช้มือทั้งสองประคองบาทรับพิศาจะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามไม่พึงมองดูหน้าในเวลาถวายพิศาเวลาที่เขาถวายอาหารก็อย่าไปมองดูหน้าเขาต้องมองดูในบาทพึงกําหนดว่าเขาประสงค์จะถวายแก้มหรือไม่ประสงค์จะถวายถ้าเขาจัทบทัพทีจับภาชนะหรือตั้งไว้ พึงยืนอยู่ด้วยคิดว่าเขาคงประสงค์จัดถวายเมื่อขาถวายพิสาแล้วพึงปิดบาด้วยผ้าสังฆาติแล้วกลับโดยเรียบร้อยโดยไม่เรียบโดยไม่ไมรีบร้อนแล้วกลับโดยเรียบร้อยโดยไม่รีบร้อนทิกตุใดกลับจากบินทบาทจากบ้านก่อนทิกตุนั้นพึงปูอัสนะไว้พึงจัดตั้งน้ำล้างเท้าตันรองเท้าระเบื้องเช็ดเท้า พึงล้างภาชนะรองของฉันตั้งไว้พึงตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้เพชรุใดกลับจากบินทบาทจากบ้านทีหลังถ้าอาหารที่ฉันแล้วยังเหลืออยู่ถ้าประสงค์จะฉันก็พึงฉันถ้าไม่ประสงค์ก็พึงเททิ้งในที่ปราศจากของเขียวสดหรือพึงเทลงในน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์พเพชรตูดานพึงเก็บอาสนะพึงเก็บน้ำล้างเท้าตางรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้า พึงล้างภาชนะรองของฉันเก็บไว้พึงเก็บน้ำฉันน้ำใช้พึงกวาดโรงฉันพิสุตไดเห็นหม้อน้ำฉันหม้อน้ำใช้หรือหม้อน้ำชำระว่างเปล่าพิกสุตานพึงจัดหาไปตั้งไว้ถ้าเป็นการสดวิสัยพึงกว่ามือเรียกเพื่อนให้มาช่วยกันจัดตั้งไว้ไม่พึงเปล่งวาจาเพราะข้อนั้นเป็นปัจจัย นี้ชื่อว่าปินณจาริกกวัดแหละวัดในการบินฑบาตแต่ว่าก็เกี่ยวกับเรื่องของการขบฉันในที่ฉันด้วยล่ะในอาสนะที่ฉันต่างๆเพราะฉะนั้นี่ก็กรรมฉันที่วัดวตแต่ว่าบางครั้งก็ไปฉันในโรงพัดในนอแวกบ้านในอารันยิกกวัดวัดของพิสูผู้จะอยู่ป่ามีเนื้อความดังต่อไปนี้พิสูผู้อยู่ป่าเพิงลุกขึ้นแต่เช้าตรู ใส่ถลกบาตคล้องบา่าผ้าจีวอนบนไหลสวมรองเท้าเก็บนำเครื่องไม้เครื่องดินปิดประตูและหน้าต่างออกจากที่ที่เป็นที่อยู่เมื่อถึงบ้านคิดว่าบัดนี้เราจะเข้าบ้านดังนี้พึงถอดรองเท้าเคาะต่ำตํำๆใส่ถุงคล้องบาตเมื่อปกปิดปริมนตร์สามพึงนุ่งให้เป็นปริมนทนคาดประกฏเอวห่มผ้าสังฆาติสองชั้นกลัดลูกดุม ถือบาต ท, ที่ล้างแล้วเข้าบ้านโดยเรียบร้อยไม่ต้องรีบร้อนพึงทราบวิธีการไปทั้งปวงเป็นต้นว่าพึงปิดกา ย, ยด้วยดีเข้าไปในละแวกบ้านแม้ในอารันยิกวัตรนี้ตามในที่กล่าวแล้วในพัตตควัตนั่นแหลพึงทราบวิธีการที่ทาจารย์ทั้งปวงเป็นต้นว่าเมื่อจะเข้าไปสู่เรือนพึงกำหนดว่าเราจะเข้าทางนี้จะออกทางนี้ตามในที่กล่าวแล้วในปินดะจาริกวัตรนั่นแหล ทิ้กตุผู้อยู่ป่าพึงตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้ถ้าผาชนะไม่พอพึงเตรียมน้ำฉันนันแหลไว้กระทำให้เป็นน้ำใช้ด้วยเมื่อไม่ได้ภาชนะพึงขังไว้ในกระบอกไม้ไผ่ก็ได้ทิกตู่ผู้ไม่ได้แม้ซึ่งกระบอกไม้ไผ่นั้นก็พึงทำให้บ่อน้ำมีอยู่ในที่ใกล้พึงก่อไฟไว้พึงจัดเตรียมไม้ตีไฟไว้เมื่อไม้ตีไฟมีแม้จะไม่ก่อก็ควร แม้จะไม่ก่อไฟก็ควรเพราะว่าเดี๋ยวไฟไปไม่ป่าจะต้องไปทําสมณธรรมนั่งสมาธิอะไรต่างไม่มีใครดูก็เตรียมไม้สีไฟไว้แต่ว่าไม่ก่อไฟก็ได้เหมือนอย่างพิจุผู้อยู่ป่าพึงต้องการไม้สีไฟฉั้นใดแม้พิจุผู้เดินทางกันดารก็พึงต้องการไม้สีไฟฉั้นนั้นแต่สําหรับพิจุผู้อยู่ในหมู่การอยู่แม้เว้นจากไม้สีไฟก็ควร คือจะเดินทางไกลก็ตามอยู่ป่าก็ตามต้องมีไม้สีไฟแต่ว่าถ้าอยู่กับหมู่หลายๆท่านคนอื่นเขาคงจะมีเพราะฉะนั้นไม่มีก็ได้พึงเตรียมไม้ท้าไว้พึงเรียนทางนักสัตว์ทั้งสิ้นก็คือพวกดวงดาววันนคกตรกรศกรังต่างาหรือบางส่วนไว้จะเรียนทั้งหมดหรือว่าเรียนบางส่วนก็ได้พึง เ, เป็นผู้ฉล า, าดในทิศก็ต้องเรียนรู้เรื่องของทิศต่ตงตางๆเพรว่าพวกโจรก็เข้าไปถามว่าวันนี้วันอะไร ทิศนี้ทิศไหนมีน้ำฉันน้ำใช้อะไรไหมไม่ได้เตรียมไว้เลยพวกโจรก็ทำร้ายเอาเพราะเข้าใจว่าพวกนี้ไม่ใช่พิกตุนี้ชื่อว่าอารันยิกวัตรต่อไปเป็นเจนาสนวัตรมีเนื้อความดังต่อไปนี้พิกตุอยู่ในวิหารใดถ้าวิหารนั้นรกถ้าอุตสาหะอยู่พึงทำความสะอาดเสียเพื่อจะทำความสะอาดวิหารพึงขนบาจีวร อ, ออกไปวางไว้ที่ควรแห่งหนึ่งก่อน พึงขนผ้าปูนั่งและผ้าปูนอนวางไว้ที่ควรแห่งหนึ่งพึงขนฟูกหมอนออกไปวางที่ควรแห่งหนึ่งเตียงพึงยกต่ำๆขนออกไปให้ดีอย่าให้กระทบกระแทกบานและกรอบประตูแล้วตั้งไว้ที่ควรแห่งหนึ่งพึงยกต่ตำๆขนออกไปให้ดีอย่าให้กระทบกระแทกบานและกรอบประตูแล้วตั้งไว้ที่ควรแห่งหนึ่งเฉียงรองเท้าเตียงพึงขนออกไปวางไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง กระโถน้ําลายพึงขนออกไปวางไว้ที่ควรแห่งหนึ่งพนักอิงพึงยกไปวางไว้ที่ควรแห่งหนึ่งพึงกําหนดเครื่องลาดพื้นตามที่ปูไว้เดิมให้ดีแล้วนําออกไปไว้ที่ควรแห่งหนึ่งเดี๋ยวเวลาเอากลับมาจะได้มาไว้ที่เดิมได้ถ้าไม่กําหนดไว้อาจจะไปปูผิดที่ถ้าวิหารมีอยากย่ายพึงกวาดแต่เทดานลงมาก่อนพึงเช็ดกรอบหน้าต่างประตูและามุมห้อง ถ้าฝาทาน้ามันขึ้นราพึงเอาผ้าเช็ดน้ําบิดแล้วก็เช็ดถ้าพื้นทาสีดำขึ้นราก็เอาผ้าชุบน้ําบิดแล้วเช็ดถ้าพื้นไม่ได้บริกา ร, รพึงเอาน้ําปะพรมแล้วกวาดด้วยคิดว่าอย่าให้ฝุ่นกลบวิหารพึงกวาดอยากเยื่อไปทิ้งเสนาที่ควรแห่งหนึง่งไม่พึงเคาะเสนาสนะในที่ใกล้พิกตุไม่พึงเคาะเสนาสนะในที่ใกล้วิหาร ได้พึงเคาเสนาสนะในที่ใกล้น้ําฉันได้พึงเคาเสนาสนะในที่ใกล้น้ําใช้ได้พึงเคาเสนาสนะในที่สูงเหนือลมพึงเคาเสนาสนะในที่ใต้ลม น, นี้ก็เป็นความละเอียดเป็ระเบียบแบบแผนที่จะทําให้มีตสติสัมปชัญญะด้วยเครื่องลาดพื้นพึงพึงแดดในที่ควรแห่งหนึง่งชําระเคาะปัดแล้วผลกลับไปปูไว้ตามเดิม เขียงรองเท้าเตียงพึงพึงแดดไว้ที่ควรแห่งหนึ่งเช็ดแล้วขนกลับมาตั้งไว้ตามเดิมเตียงพึงพึงแดดไว้ที่ควรแห่งหนึ่งขัดสีเคาะยกตำตำทำให้ดีอย่าให้กระทบกระแทกบานและกรอบประตูขนกลับไปตั้งไว้ตามเดิมตั้งพึงพึงแดดไว้ที่ควรแห่งหนึ่งขัดสีเคาะยกตำตาทำให้ดีอย่าให้กระทบกระแทกบานและกรอบประตู ขนกลับไปตั้งไว้ตามเดิมฟูกหมอนพึงตากไว้ที่ควรแห่งหนึง่งเคาะปัดให้สะอาดแล้วขนกลับไปตั้งไว้ตามเดิมผ้าปูนั่งและผ้าปูนอนพึงตากแดดไว้ที่ควรแห่งหนึง่งสลัดให้สะอาดขนกลับไปปูไว้ตามเดิมกระถนน้ําพนักอิงพึงตากแดดไว้ที่ควรแห่งหนึง่งแล้วขนไปตั้งไว้ตามเดิมพึงเกดบาดนาจีวรเมื่อจะเกตบาทพึงเอามือข้างหนึ่งจับบาท เอามือข้างหนึ่งรูปคลำใต้เตียงหรือใต้ตังแล้วเก็บบาทแต่อย่ากเก็บาทบนพื้นที่ปราศจากเครื่องรองเมื่อจะเก็บจีวรพึงเอามือข้างหนึ่งถือจีวรเอามือข้างหนึ่งรูปราวจีวรหรือสายระเดียงพึงทำชายไว้ข้างนอกขนดไว้ข้างในแล้วเก็บจีวรถ้ามีลมเจือด้วยผงทุรีพัดมาทางทิศตะวันออกพึงปิดหน้าต่างทางทิศตะวันออก ถ้าลมเจือด้วยผงธุลีทางทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้พึงปิดหน้าต่างด้านทิศนั้นถ้าฤดูหนาวพึงเปิดหน้าต่างในกลางวันปิดในกลางคืนถ้าฤดูร้อนกลางวันพึงปิดหน้าต่างกลางคืนพึงเปิดถ้าบริเวณตุ้มน้ำสาราโรงฉานเดินไฟวัดจกุดีรักพึงปัดกวาดเสียถ้าน้ำฉันไม่มีพึงเข้าไปตั้งน้ำฉันไว้ถ้าน้ำใช้ไม่มีพึงเข้าไปตั้งน้ำใช้ไว้ ถ้าน้ำในหม้อชำระไม่มีพึงตักน้ำใส่ไว้ในหม้อชำระก็คือในห้องน้ำในห้องต้วมในน้ำล้างก้นต่างๆอันนี้ก็ต้องตักเอาไว้ถ้าอยู่วิหารเดียวกันกันกบภิกษุผู้แก่ภาษากว่ายังไม่บอกภิกษุผู้แก่ภาษากว่าก่อนไม่พึงให้อุเทศก็คือไม่พึงสอนบาลีพระบุทตพจน์ไม่พึงให้ปริปุชาก็คือไม่พึงสอนอภิปถาหรือว่าสอบถามต่างๆ ไม่พึงทำการสาธยายไม่พึงแสดงธรรมไม่พึงตามประทีบแม้กระทั่งจุดไฟก็ไม่ได้หรือว่าไม่พึงดับประทีปจุดอยู่แล้วไปดับสมัยนี้ปิดเปิดไฟก็ต้องขออนุญาตพระเถระที่อยู่ในเสนาธนะเดียวกันไม่พึงเปิดหน้าต่างไม่พึงปิดหน้าต่างธรรมดาประตูเป็นทางที่ใช้มากเพราะฉะนั้นในเรื่องการเปิดปิดประตูนั้นไม่มีกิจที่จะต้องบอกก่อนแต่ว่าหน้าต่างเปิดปิดนี้ต้องบอก ส่วนกิจที่เหลือมีให้อุทเทนเป็นต้นต้องบอกเสียก่อนจึงค่อยทําสมควรบอกทุกวันมันจะต้องบอกทุกวันถ้าอยู่ในเทนัสนะเดียวกันกันกบพระเถระแม้หากว่าเมื่อพระนักัะกล่าวว่าท่านผู้เจริญเฉพาะกิจที่ผมจะต้องบอกจงเป็นอันบอกแล้วเถิดดังนี้พิกสูพุกแกพันสากวารับว่าดีละหรือภิกษุผู้แก่กว่าบอกเสเองว่าท่านจงอยู่ตามสบายเถิดแม้อย่างนี้จะไม่บอกก่อนก็ได้ แม้ด้วยความคุ้นเคยจะไม่บอกแก่พิสูจผู้เป็นสภาค่ากันก็ควรเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสภาค่ากันด้วยความคุ้นเคยกันจะไม่บอกก็ได้ถ้าเดินจงกรมในที่จงกรมเดียวกันกับพิสูุนผู้แก่พรรษากว่าพึงเดินคล้อยตามพิสูุนผู้แก่พรรษากว่าและไม่พึงกระทบกระทั่งพิสูจผู้แก่พรรษากว่าด้วยชายผ้าสังขตินี้ชื่อว่าเสนาสนาวัตแหล่ก็วัดในการที่อยูนเสนาสนาั้น ต่อไปเป็นชันตาคระวัตข้าวัดในเรือนไฟเอาไว้อบตัวมีเนื้อความดยต่อไปนี้ีิสุใดไปสู่เรือนไฟก่อนถ้ามีขี้เท่ามากพึงเทขี้เท่าถิงเสียถ้าเรือนไฟรกพึงกวาดเสียพึงกวาดชานรอบนอกถ้าบริเวณสุ้มน้ำสาลาเรือนไฟรกพึงกวาดเสียพึงบดจุรนไว้พึงแช่ดินเหนียวพึงตักน้าไว้ในรางน้า เมื่อจะเข้าไปสู่เรือนไฟพึงเอาดินทาหน้าปิดทั้งข้างหน้าและข้างหลังแล้วจึงเข้าไปสู่เรือนไฟไม่พึงนั่งเบียดเสียดพระเถระไม่พึงกีดกันอาสนะทิพยุนวะกะถ้าอุตสาหะอยู่พึงทำบริกรรมแก่พระเถระในเรือนไฟเมื่อออกจากเรือนไฟพึงถือตังสำหรับเรือนไฟแล้วปิดข้างหน้าและข้างหลังออกจากเรือนไฟ ถ้าอุสาหะอยู่พึงทำบริกรรมแก่พระเถระแม้ในน้ำไม่พึงอาบน้ำข้างหน้าพระเถระแม้เหนือน้ำก็ไม่พึงอาบอาบแล้วเมื่อจะขึ้นพึงให้ทางแก่พระเถระที่จะลงพิกตุใดออกจากเรือนไฟภายหลังถ้าเรือนไฟเปลอะเปื่อนพึงล้างให้สะอาดพึงล้างรางแช่ดินเก็บงามตังสำหรับเรือนไฟดับไฟปิดประตูแล้วจึงหลีไปนี้ชื่อว่าชันตาคารวัต ก็เป็นผู้ที่จะต้องมีระเบียบเรียบร้อยพระพุทธเจ้าให้เป็นผู้ที่มีความละเอียดละออมีสติแล้วก็ผู้ที่เรียบร้อยจะได้เป็นแบบแผนแนวเดียวกันต่อไปในวัดจักกุดีวัดเพระวัดในห้องซ่วมมีเนื้อความดังต่อเปน็นนี้พิสุใดไปถึงวัดจักกุดีพิสุานั้นยืนอยู่ข้างนอกพึงกระแอมขึ้นแม้ทิกตุผู้นั่งอยู่ข้างในก็พึงกระแอมรัก ถ้าไม่มีใครแกล้มออกมาก็แสดงว่าไม่มีใครอยู่ก็ไม่ต้องเรียกหรือว่าไม่ต้องเคาะสมไมนี้ปิดประตูก็เรียกมีใครอยู่ไหมหรือว่าเคาะแต่ว่าพระอดีตนี้เขาใช้กแอมพึง้าจีวรไว้ในราวจีวรหรือสายระเดียงจีวรแล้วเข้าวัดจะกุดีก็แสดงว่าจะต้องมีราวหรือว่ามีสายระเดียงสดหรับ ตาจีวรหรือว่าเว้พาจีวรก่อนจะเข้าห้องส้วมไม่ให้เอาจีวรเข้าไปในห้องซ้วมแล้วก็ทำให้เรียบร้อยไม่ต้องรีบร้อนไม่พึงเข้าไปเร็วนะักไม่พึงเวรริกผ้าเข้าไปยืนมนเคียงถ่ายอุจจาระแล้วจึงค่อยเวิร์กผ้าไม่พึงถอนหายใจใหญ่พลางถ่ายอุจจาระไม่พึงเคี้ยวไม้ชาระฟันพลางถ่ายอุจจาระไม่พึงถ่ายอุจจาระนอกรลางถ่ายอุจจาระ ไม่พึงถ่ายปัสสาวะนอกรางถ่ายปัสสาวะไม่พึงบ้วนเขละลงในรางปัสสาวะไม่พึงชำระด้วยไม้ที่ผ่าไม้คมไม้มีปมไม้มีหนามหรือว่าไม้แตกไม้ที่แตกแยกหรือไม้ผุแต่ไม่เป็นอาบัตแก่พิจุผู้ไม่ถือไม้ชำระเข้าไปใช้น้ลาล้างรือก็ได้แต่ามาของคนที่รังเกียจต้ใช้ไม้ชำระเช็ดก่อน แล้วก็ไปล้างอีกทีหนึง่งไม่พึงทิ้งไม้ชําระลงในช่องถ่ายอุจจาระยืนบนเขียงถ่ายอุจจาระแล้วพึงปิดผ้าไม่พึงออกมาเร็วนะักไม่พึงเวกผ้าออกมายืนบนเขียงชําระแล้วพึงเวกผ้าไม่พึงชําระให้มีเสียงดังจัปุจจุปุอันนี้น่าจะเป็นไปได้ก็คือว่ารางถ่ายอุจจาระเนี่ยเป็นอันหนึง่งแล้วก็ ที่ชำระก้นนี้ก็อีกอันหนึ่งก็ไปยืนบนเขียงอีกอันหนึ่งมันจะมีเขียงถ่ายอุจจาระแล้วก็เขียงชมระคนละอันกันเวลาที่เอาไม้เช็ดเสร็จเรียบร้อยก็ใส่ภาชนะที่เอาไว้ใส่ไม้ชมระนั้นเสร็จแล้วก็ปิดผ้าแล้วก็ออกมายืนที่เขียงชมระแล้วก็เวร์กผ้าแล้วก็ค่อยชมระด้วยน้า แต่ว่าไม่พึงชำระให้มีเสียงดังฉปรฉปรไม่พึงเหลือน้ําไว้ในกระบอกชำระคําว่าไม่พึงเหลือน้ําไว้ในกระบอกชำระนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไม้เอาสถานที่ที่ทั่วไปแต่พิกตุทั้งปวงหมายถึงว่าเป็นส่วมสาธารณะใช้กันทั้งหมดจึงอยู่พิกตุอื่นๆย่อมมาในที่สาธารณะฐานนั้ น, ส, น, น, น, นส่วมนี้เรียกว่าฐานฐานก็แปลว่าส่วมเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรเหลือน้ําไว้ ส่วนฐานใดก็คือวัชกุดีอันไหนเป็นสถานที่ทําไว้ในเอกเทศแม้เป็นวิหารของสงฆ์เพื่อต้องการจะไปถ่ายเป็นนิดหรือเป็นฐานส่วนตัวบุคคลในฐานนั้นจะเหลือน้ําไว้ในฐานชําระก็ควรก็คือจะเหลือน้ําไว้ในที่องค์รวมนั้นก็ได้ถ้าตัวเองต้องเข้าบ่อยๆโดยเฉพาะถ้าปวดทายบ่อยๆแม้เมื่อพิกษุผู้ฉันยาทายเข้าไปบ่อยๆจะเหลือน้ําไว้ก็ควรเหมือนกัน นิสูจยืนบนเขียงชำระแล้วพึงปิดผ้าถ้าวัดจะกุดีอันพิสุด์ถ่ายไว้ลวเละเอะออกมาข้างนอกต้องหาน้ำมาล้างเสียน้ำมีภาชนะไม่มีเป็นอันชื่อว่าไม่มีภาชนะมีน้ำไม่มีแะอันนี้ก็ชื่อว่าไม่มีเมื่อไม่มีทั้งสองอย่างเป็นไม่มีแท้พึงเช็ดด้วยไม้หรือว่าด้วยของบางอย่างแล้วจึงไปสมัยนี้ก็มีกระดาษทิชชู่ก็เช็ดให้สะอาด หรือว่าล้างด้วยน้ำแล้วค่อยไปถ้าจะกล้าใส่ไม้ชําระเต็มพึงเทไม้ชมาําระถ้าวัดจะกุดีรบพึงกวาดเสียพึงกวาดชานรอบนอกพึงกวาดบริเวณพึงกวาดซุ้มน้ําถ้าน้ําในหม้อชําระไม่มีพึงตักน้ํามาไว้ในหม้อชาําระเมื่อน้ํามีอยู่ที่ตุผู้ไม่กระทํากิจ ด, ด้วยน้ําเป็นอาบัดคือทําไม่ล้างก้นด้วยน้ําต้องระบัดถ้าน้ํามีถ้าไม่มีค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง ก็มีพระบาลีว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายที่สุด่ายอุจาระแล้วเมื่อน้ำมีอยู่จะไม่ชำระไม่ได้รูปใดไม่ชำระรูปนั้นต้องอบับตะทุกกฎถ้าน้ำมีแต่ที่กำบังไม่มีพึงใช้ภาชนะตักไปชำระเมื่อไม่มีภาชนะพึงเอาบาตรตักไปก็ได้ใช้บาตรีตักน้ำไปล้างก้นก็ได้ถ้าไม่มีภาชนะอื่นเมื่อบาตรก็ไม่มีเป็นอันชื่อว่าไม่มีภาชนะ เมื่อพิกตุไปด้วยทำในใจว่าที่นี่เปิดเผยนะับที่อื่นข้างหน้าจัดมีน้ํายังไม่ทันได้น้ําได้เวลาพิาจารณาพึงเช็ดด้วยไม้หรือว่าของบางอย่างแล้วจึงไปก็ให้เช็ดก่อนในอย่างนั้นเดี๋ยวกลิ่น ม, มันจะออกมามากพิกตุนั้นฉันก็ดีทําอนุโมทนาก็ดีย่อมควรแต่ว่ามันหาน้ำไม่มี ไ, มได้เวลาบินตบานได้วเวลาฉันแล้วมันก็เช็ดไว้ก่อนแล้นะวจะเว้าไปล้างที่หลัง เพียงตู่ผู้เมื่อจะเข้าไปในวัดจกักรูดีพึงไปตามลำดับผู้มาเพราะมีพระบาลีว่าดูก่อนภิกษุนทั้งหลายพิสูจไม่พึงถ่ายอุจจระในวัดจกักรูดีตามลำดับผู้แก่บรนสากว่ารูปใดท่ายรูปนั้นต้องอบัตทุกอดดุก่อนพิกษุ์ทั้งหลายเราอนุญาตให้ถ่ายอุจจระตามลำดับแห่งผู้มาเพราะว่าต้นเหตุนี้ก็พระพิสูจนหนุมก็มาถึงแล้วแต่ว่าพระพิสูจนแก่มาที่หลัง เลยให้ตามลำดับภรษาไปถูกแกะทยอยกันมาใหู้่หนุ่อั้นอุจจาระโดยทั้งล้มสลบเลย <c oughs> ก็เป็นต้นเหตุหที่ให้พระพุทธเจ้าบัญญัติว่าจะต้องเข้าวัชกุฎีนั้นตามลำดับของผู้มาใครมาก่อนก็เข้าก่อนไม่ต้องรอตามลำดับภรษาสําหรับลำดับแห่งผู้มาเท่านั้นเป็นประมาณในสถานที่สามแห่ง สถานที่สามแห่งนี้นี่ลําดับแห่งผู้มาเท่านั้นเป็นประมาณไม่เอาลําดับพรรษาก็คือวัดจ้กุดีหนึ่งห้องท้วมที่ถ่ายปัสสาวะหนึ่งแล้วก็ท่าอาบน้ําหนึ่งนี่แหละชื่อว่าวัดจ้กุดีวัดเพราะฉะนั้นถ้าใครปวดอุจจาระไปถึงห้องท้วมก่อนก็เข้าก่อนไม่ต้องรอพระเถระที่ถ่ายปัสสาวะก็เหมือนกันหรือว่าที่ท่าน้ําก็เหมือนกันอาบน้ําไปตามลาดับผู้มาไม่ต้องตามลําดับพรรษา ก็ถามวินิจฉัยเรื่องอุปชัยวัตเป็นต้นในบาลีมุตตะวิเนยะวินิจฉัยสังหะจบแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องของข้อวัดต่างๆในคันธกาไม่ได้ว่าคันธวัดสิบสี่ข้อมีสิบสี่ข้อด้วยกันก็ขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผูท้ที่ถึงพร้อมได้วัดแล้วก็ถึงพร้อมได้ศีลเพื่อเป็นปัจจัยแก่สมาธิเมื่อศีลสมาธิบริบูรณ์ดีก็จะเป็นปัจจัยแก่การรู้เห็นตามความเป็นจริงก็คือเรื่องของ วิปัสสนาปัญญาที่จะรู้แจ้งถึงตลอดอริยสัจธรรมใข่ท่านได้ถึงตลอดอริยกัจธรรมในกายไม่เนื่อช้าและพ้นจากมารดทุกโดยทั่วกันอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ